บางครั้งท่านอาจารย์องค์นี้เกิดความสงสัยเรียนถามท่านอาจารย์มั่นท่านยังดุเอาโดยท่านว่าถามเอาตามความชอบใจของตนมีได้เล็งดูหลักธรรมคือความจริงควรจะเป็นอย่างไรบ้างความสงสัยที่เรียนถามนั้นมีว่าในครั้งพุทธกาลตามประวัติว่ามีผู้สําเร็จมรรคผลนิพพานมากแล้วรวดเร็วกว่าสมัยนี้ซึ่งไม่ค่อยมีท่านผู้ใดสําเร็จกัน แม้ไม่มากเหมือนครั้งโน้นหากมีการสาเร็จได้ก็รู้สึกจะช้ากว่ากันมากท่านย้อนถามทันทีว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีท่านผู้ได้สาเร็จมากผลกันแม้สาเร็จได้ก็ช้ากว่ากันมากดังนี้ท่านเรียนตอบท่านว่าก็ไม่ค่อยได้ยินว่าใครสาเร็จเหมือนครั้งโน้นซึ่งเขียนไว้ในธํารา ว, ว่าสาเร็จกันครั้งละมากๆ แต่ละครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดตลอดการบำเพญ็ญโดยลำพังในที่ต่างๆก็ทราบว่าท่านสำเร็จโดยรวดเร็วและง่ายดายจริงๆน่าเพลินใจด้วยผลที่ท่านได้รับแต่มาสมัยทุกวันนี้ทำแทบล้มแทบตายก็ไม่คอยปรากฏผลเท่าที่ควรแก่เหตุบ้างเลยอันเป็นสาเหตุให้ผู้บำเพ็ญท้อใจและอ่อนแอต่อความเพียรท่านอาจารย์มั่นถามท่านว่า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 มีแต่ความคิดสั่งสมกิเลสความกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เข้าใจว่าตนกําลังทําความเพียนด้วยวิธีนั้นๆดังนั้นผลจึงเป็นความกระทบกระเทือนใจโดยไม่เลือกการสถานที่แล้วก็มาเมาเอาว่าตนทําความเพียนรอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควรความจริงตนเดินจงกรมนั่งสมาธิสั่งสมยาพิษทาลายตนโดยไม่รู้สึกตัวต่างหาก มีได้ตรงความจริงตามหลักแห่งความเพียรเลยฉะนั้นครั้งพุทธการที่ท่านทำความเพียรด้วยความจริงจังหวังพ้นทุกข์จริงๆกับสมัยที่พวกเราทำเล่นราเด็กกับตุ๊กตาจึงนำมาเทียบกันไม่ได้ขืนเทียบไปมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการขายยิเลศความไม่เป็นท่าของตัวเองมากเพียงนั้นผมแม้เป็นคนในสมัยทาเล่นเล่นลวงๆตัวเองก็ไม่เห็นด้วย กาพูดดูถูกศาสนาและดูถูกตัวเองดังที่ท่านว่ามานั้นถ้าท่านยังเห็นว่าตัวยังพอมีสาวรักคุณอยู่บ้างท่านลองทําตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องดูสิอย่าทําตามแบบที่กิเลสพาจุดลากไปอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาแม้ขณะ ก, กําลังเข้าใจว่าตนกําลังทําความเพียรอยู่มักผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นสมบัติกลาง จะเป็นสมบัติอันพึงใจท่านในวันหนึ่งแน่นอนโดยไม่มีคำว่ายากลำบากและสำเร็จได้ช้ามาเป็นอุปสรรคได้เลยขณะที่พวกเราทำความเพียรแบบกระดูกจะหลุดออกจากกันเพราะความขี้เกียจอ่อนแออยู่เวลานี้ผมเข้าใจว่าเหมือนคนที่แสนโง่และขี้เกียจเอาสิ่งอันเล็กๆ เ, เท่านิ้วมือไปเจาะภูเขาทั้งลูก แต่หวังให้พวกเขานั้นทะลุในวันเวลาเดียวซึ่งเป็นที่หน้าหัวเราะของท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่องด้วยปัญญาและมีความเพียรกล้าเป็นไหนไหนพวกเราลองคิดดูประโยคแห่งความเพียรของท่านผู้เป็นสักยบุตรพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทากันกับความเพียรของพวกเราที่ทำเอาแบบฝ่ามือไปแตะแม่น้ำมหาสมุทรซึ่งสุดที่น่าสมเพศเวทนาเหลือประมาณ แต่หวังพระนิพพานด้วยความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นลองคิดดูกิเลสเท่ามหาสมุทรแต่ความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นมันห่างไกลกันขนาดไหนคนสมัยฝ่ามือแต่มหาสมุรทรทําความเพียรเล็กน้อยแต่ความหมายมั่นปั้นมือว่าจะข้ามโลกสงสารเมื่อไม่ได้ตามใจหวังก็หาเรื่องตาหนิศา ส, สนาและการสถานที่ ตลอดคนสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ละอายการประกาศความไม่เป็นท่าของตัวให้นักปราดท่านหัวเราะด้วยความอ่อนใจว่าเราเป็นผู้หมดความสามารถโดยประการทั้งปวงการลงทุนแต่เพียงเล็กน้อยด้วยความเสียดายเรียวแรงแต่ต้องการผลกาไรล้นโลกล้นสงสารนั้นเป็นทางเดินของโมฆะบุรุษสตรีผู้เตรียมสร้างป่าช้าไว้เผาตัวและนอนจมอยู่ในกองทุก ไม่มีวันลดหย่อนพ่วัตตะว่าจะผ่านพ้นไปได้เมื่อไรคำถามของท่านที่ถามผมเป็นเชิงชมเชยศาสนาธรรมชมเชยการสถานที่และบุคคลในครั้งพุท ธ, ธกาลแต่ตำหนิศาสนาธรรมตำหนิการสถานที่และบุคคลในสมัยนี้จึงเป็นคำชมเชยและติเตียนของโมฆะบุรุษสตรีที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางเล็ดลอดปลอดจากภัยไปไม่ได้ และเป็นคำถามของคนสิ้นท่าเป็นคำถามของคนผู้ตัดหนามกั้นทางเดินของตัวมิได้เป็นคำถามเพื่อช่วยบุกเบิกทางเดินให้เตียนโลง่งพอมีทางปลอดโปร่งโล่งใจเพราะความสนใจปลดเปลื้องตนจากกิเลสด้วยสวัสาตธรรมอันเป็นมัชชิมาที่เคยให้ความเสมอภาคแก่สัตว์โลกผู้สนใจปฏิบัติตามโดยถูกต้องตลอดมาแต่อย่างใดเลย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 ก็มีทางหายได้ตามการของมันโรคกิเลสซึ่งมีใช่โรคหิดโรคเหาโรคกลากโรคเลื่อนพอจะหายไปเองต้องรักษาด้วยยาคือธรรมะในทางความเพียรตามแบบของสกยะบุตรพุทธสาวกที่ท่านทำกันจะเป็นกิเลสชนิดร้ายแรงหรือไม่เพียงไรก็จำต้องสงบและหายได้ไม่มีทางสงสัยท่านคิดเพียงเท่านี้ ผมก็พอเบาใจและชมเชยว่าท่านก็เป็นผู้มีความคิดยาบคายบ้างผู้หนึ่งที่จะพอเชื่อความสามารถของตัวได้ว่าจะเป็นผู้ข้ามโลกสงสารได้และเชื่อความสามารถของพระพุทธเจ้าและศาสนาธรรมว่าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระปรีชาสามารถส่งประกาศศาสนาธรรมไว้โดยชอบและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ให้ข้ามพ้นได้จริง ไม่ตำหนดติเตียนตนว่ามีกิเลสหนาทำให้รู้ธรรมได้ช้าโดยไม่สนใจแก้ไขไม่ติเตียนพระพุทธเจ้าว่าทรงประกาศสอนธรรมะไม่เสมอต้นเสมอปลายไม่ติเตียนพระธรรมว่าไร้สมรรถภาพหรือเรียวแหลมไม่สามารถแก้กิเลสของสัตว์ในสมัยนี้ได้เหมือนครั้งพุทธกาลท่านอาจารย์มั่นว่า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 การสอนจึงไม่ค่อยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริงส่งถอดออกมาจากพระไทยและใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆหยิบยื่นให้ผู้ฟังอย่างสดสดร้อนๆไม่มีธรรมะแปลกปลอมเคลือบแฝงออกมาด้วยเลยผู้ฟังก็เป็นผู้มุ่งต่อความจริงอย่างเต็มใจซึ่งเป็นความเหมาะสมทั้งสองฝ่ายผลที่ปรากฏเป็นขั้นๆตามความคาดหมายของผู้มุ่งความจริง จึงไม่มีปัญหาที่ควรขัดแย้งได้ว่าสมัยนั้นคนสาเร็จมากผลกันทีละมากๆจากการแสดงธรรมแต่ละครั้งของพระาศาสดาและพระสาวกส่วนสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครสาเร็จได้คล้ายกับคนไม่ใช่คนธรรมะไม่ใช่ธรรมะผลจึงไม่มีความจริงคนก็คือคนธรรมะก็คือธรรมะอยู่นั่นเองแต่คนไม่สนใจธรรมะ ธรรมะก็เข้าไม่ถึงใจจึงกลายเป็นว่าคนก็สักว่าคนธรรมะก็สักว่าธรรมะไม่อาจยังประโยชน์ให้สําเร็จได้แม้คนจะมีจํานวนมากและแสดงให้ฟังทั้งพระไตรปิฎกจึงเป็นเหมือนเทน้ําใส่หลังหมามันสลัดออกเลี้ยงไม่มีเหลือธรรมะจึงไม่มีความหมายในใจของคนเหมือนน้ําไม่มีความหมายบนหลังหมาฉะนั้น ท่านถามอาจารย์องค์นั้นว่าท่านเล่าเวลานิจใจเป็นเหมือนหลังหมาหรื อ, อย่างไรกันแน่จึงมัวทำหนีแต่ธรรมะโดยทายเดียวว่าไม่ยังผลให้เกิดขึ้นแก่ตนเพื่อสำเร็จมรรคผลนิพพานง่ายๆเหมือนครั้งพุทธกาลโดยไม่คำนึงใจตัวบ้างซึ่งกำลังสลัดปัดธรรมะออกจากใจยิ่งกว่าหมาสลัดน้าออกจากหลังของมันถ้าย้อนมาคิดถึงความบกกร่องของตนบ้าง ผมเข้าใจว่าธรรมะจะมีที่ซึมซาบและสถิตยอยู่ในใจได้บ้างไม่ไหลผ่านไปผ่านไปเรากับลําคลองไม่มีแอ่งเก็บน้ำดังที่เป็นอยู่เวลานี้คนสมัยพุทธกาลมีกิเลสบางหรือหนาก็เป็นคุณและโทษของคนสมัยนั้นโดยเฉพาะมิได้มาทำความลําบากหนักใจให้แก่คนคนสมัยนี้ซึ่งมีกิเลสชนิดใดก็ก่อความเดือดร้อนให้แก่กันเอง แทบจะไม่มีโลกให้อยู่ถ้าไม่สนใจแก้ไขขอให้โลกว่างจากการวางเพลิงเผากันบ้างการตำหนิติชมใครและสมัยใดก็ตามยอมไม่เกิดประโยชน์ทั้งสิน้นถ้าไม่สนใจตำหนิติชมตัวเองผู้กำลังกอ่อไฟเผาตัวและผู้อื่นให้เดือดร้อนอยู่ด้วยเวลานี้อันเป็นการพรากไฟราคะโทสะโมหะออกจากกันและกันที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ พอมีทางก้าวเดินเข้าสู่ความสงบสุขได้บ้างไม่ร้อนระอุด้วยไฟเหล่านี้จนเกินตัวสมกับโลกมนุษย์อันเป็นแดนของสัตว์ผู้ฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆบรรดาที่อยู่ร่วมโลกกันดังนี้ท่านว่าท่านอาจารย์มั่นเข่นใหญ่เกี่ยวกับปัญหาโลกแตกของเราที่เรียนถามแม้ไม่เรียนมากมายนักแต่เวลาท่านหยิบยกออกมา คลายกับปัญหานี้เป็นเสี้ยนาน้าแก่พระศาสนาและท่านตลอดตัวเราเองแบบจะเยียวยาไม่ได้เรารู้สึกเห็นโทษของตัวและเกิดความไม่สบายใจหลายวันทั้งที่ความจริงเราก็ไม่ได้สงสัยว่าสมัยนี้จะไม่มีผู้สามารถบรรลุธทำได้ท่านเลยสับเขกเอาซะนับว่าพอดีกับคนปากไวอยู่ไม่สุขแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ได้ฟังธรรมะท่านยังถึงใจ เท่าที่ผมเล่ามานี้ยังไม่ถึงเซี่ยวนึ่งแห่งธรรมะลึกซึ้งและเผ็ดร้อนที่ท่านแสดงนั่นเลยนั่นยิ่งลึกซึ้งและเผ็ดร้อนยิ่งกว่ามาหาสมุทรสุดสาครและไฟในนรกแม้เรื่องผ่านไปแล้วท่านยังใส่ปัญหาผมยังเหน็บแนมเรื่อยมาบางครั้งยังยกปัญหานั้นมาประจานผมต่อหน้าที่ประชุมอีกด้วยไม่ให้เสร็จสิ้นลงง่ายๆว่ามิจฉาทิฏฐิบ้างเทวทัตทำลายศาสนาบ้าง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 โดดไปคว้าเอาค้อนมาให้ท่านตีหัวเอาแทนที่จะยกอุบายอันราบรื่นดีงามขึ้นเรียนถามและฟังท่านอธิบายพอหอมปากหอมคอตามปกติก็เป็นดังท่านอาจารย์องค์นี้เล่าให้ฟังถ้าไม่มีอะไรแปลกๆเรียนถามท่านก็พูดไปธรรมดาแม้เป็นธรรมะก็เป็นไปอย่างเรียบๆไม่ค่อยถึงใจนะักเมื่อเรียนถามปัญหาชนิดแปลกๆรู้สึกท่านคึกคัก และเนื้อธรรมะที่แสดงออกเวลานั้นก็เหมาะกับความต้องการดังที่เคยเรียนแล้วในประวัติท่านความจริงท่านก็ไม่ได้สงสัยท่านอาจารย์องค์นี้ว่าเห็นผิดไปต่างๆดังที่ท่านดุดาขู่เข็นแต่เป็นอุบายของท่านผู้ฉลาดในการแสดงธรรมย่อมมีการพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปต่างๆเพื่อปลุก ป, ประสาทผู้ฟังให้ได้ข้อคิดเป็นคติเตือนใจเป็นนานๆบ้าง ไม่เช่นนั้นก็จะพากันนอนกอดความโง่ไม่สนใจคิดอะไรกันบ้างเลยและจะกลายเป็นกบเฝ้ากอบัวอยู่เป ล, ล่เปล่าพอถูกท่านสับเขกซื้อบ้างดูเหมือนหูตั้งตาสว่างขึ้นได้บ้างนิสัยพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มัน่นชอบขู่เข็นสับเขกอยู่เสมอจึงพอได้สติปัญญาคบคิดบ้างถ้าแสดงไปเรียบเรียบฟังไปเงียบเงียบ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 สติปัญญาก็รู้สึกคึกคักแพรวขึ้นบ้างดังนั้นที่ท่านอาจารย์องค์นี้เรียนถามท่านอาจารย์มั่นแม้จะผิดบ้างถูกบ้างจึงอยู่ในขายที่ควรได้รับประโยชน์จากปัญหาธรรมะนั้นๆตามสมควรที่เคยได้รับเสมอมา